พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าหาบุญได้บุญหาบาปได้บาป เย็นวันนี้นะเย็นวันนี้วันที่สี่พระทุกรูปลงมาทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ทางในครัวจะมาร่วมด้วยก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นเป็นวันพ่อวันพุ่งนี้เป็นวัน วันพ่อวันที่ห้าธันวาเป็นการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวัดของเราเย็นวันนี้นะประมาณชั่วทุ่มหนึ่งมารวมร่วมกันถวัดเย็นแล้วก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์เป็นถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อ วันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2558พระทุกองบอกบอกกันแล้วก็วันนี้พระในวัดของเราทั้งหมด34รูปนะพระทั้งหมด34 34รูปลงมาฉัน26งดฉัน8นาค1 นักจะมาบวชบวชไม่มีกำหนดคงท่องเอสาหังให้จบทวนบริบูรณ์ซะก่อนค่อยบวชบวชเวลาไหนก็ไม่มีอะไรหรอกตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆสร้างขุดงามความดีไปเรื่อยเมื่อมันพร้อมเมื่อไหร่ก็ยังค่อยบวชทำมันไม่พร้อมนะบวชไปก็อย่างนั้นน่ะ มันยังไม่พร้อมสวดยังไม่ได้เรียนบทาการขาดหนักยังไม่ได้เราจะไปบวชเลยบวชเข้าไปแล้วมันก็ยังตำหนิตนเองอย่างเก่าเพราะนั้นให้กูบาผีเลี้ยงต้องช่วยดูแนะนำบอกกล่าวเพราะบวชไม่มีกำหนดถ้าบวชเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งอั น, นั่นก็ ไม่เป็นไรอย่างพระใหม่เมื่อวานมาเมื่อวานนะนะท่านเป็นทหารบวชที่วัดโพธิสมพรเป็นการถวายพระราชกุศลประบาิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบวชวันที่ห้าแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดของเรานั้นก็ดีได้ทั้งรักษาศีลได้ทั้งภาวนาด้วย แต่ขอังขอให้ภาวนาจริงๆ น, นนะพอมาอยู่วัดป่าเข้ามาเนี่ยคิดปุุงฟุ้งไปอย่างอื่นไม่ได้อนั้นแปลว่าขาดทุนถ้ามาอยู่วัดเนะ่ก็รู้อยู่แล้วจะบวชกี่วันข้าวไปเจ้าจะให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดนั่นแหละคือการปฏิบัติปูชานะวันนี้เป็นวันที่สี่ ธันวาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อได้ออกจากวัดไปหลายวันนะคณะทายาิโยมลูกหลานก็เพิ่งกลับมาตอนมือคืนเนีเกือบสองทุ่มมาถึงวัดน ะ, ะพวกลูกหลานคณะทายาิโยมพระเนรก็คงอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างฮะคนเรามันชอบสอดรู้สอดเห็นนะแต่ตามไม่จริงก็ ควรจะบอกกล่าวให้ลูกหลานได้ทราบว่าหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างเหมือนกับเราอยู่ในโอวัด์อวอยู่ในวัดอยู่ในครอบครัวของพ่อแม่พ่อแม่ไปที่ไหนบ้างหลวงพ่อคนลักษณะอย่างนั้นพอมาแล้วก็บอกกล่าวให้ลูกหลานได้ทราบว่าหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างหลวงพ่อลงไปวันที่ยี่สบดนั่งเครื่อง พอลงไปก็ไปสวนแสงธรรมวัดหลวงตาพุทธมนฑนสายสามพอจ้ากันนัดสัตยา ญ, ญาติโยมเขาก็หลังไหลมาทําวัดเย็นจากนั้นก็ได้โพดในแนวแถวอะไรพวกสัทยา ญ, ญาติโยมควรจะรับรู้รับทราบเย็นวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าเช้าบินเท่าบาทที่สวนแสงธรรม รู้สึกว่าคนล้นหลามคนมากจริงๆจนเจ้าของเขาคุณชายอาจารย์เจริญที่เป็นหัวหน้าบอกโอ้เป็นว่ามากที่สุดคนมาตักบาตรอาหารล้นหลามทำบุญทอดผ้าป่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือน วันที่ยิบเก้าเป็นวันอาทิตย์นะพวนั้นชัทาญาติโยมเป็นวบุญกระทอดผ้าป่าหาทุนเพื่อสมทบหาทุนให้สวนแจธงทมค่านา้าค่าไฟค่าบำรงุงที่มันขาดตกบกพร่องที่องค์หลวงตาที่สร้างเอาไว้อก็ได้เงินมากอยู่นะได้เงินหกแสนหกแสนกว่ามาั่งถ้าหลวงพ่อจอไม่ผิดนะอก็ได้มากอยู่พอ ฉันจะหารเสร็จวันที่29าพักพรตอนบ่ายสามโมงไปแสดงธรรมที่วัดบวรตำหนักเพชรที่สรีระของเจ้าพคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านเก็บไว้นั่นกะก็ขึ้นไปแสดงธรรมรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนวันนั้นก็ล้นหลามเพราะจวนจะเคลื่อนย้ายสรีระของท่านแล้ว ก็เห็นพี่น้องประชาชน ท, ทุกระดับวันนั้นที่หลวงปอไปแสดงธรรมสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็จนถึงสิบแปดนาฬิกา ก, ากว่ากว่าเกือบสิบเก้านาฬิกานะอะจังได้เสร็จทุกอย่างทางเทศทั้งแสดงธรรมด้วยทั้งพานำนั่งภาวนาปฏิบัติด้วยให้ครบสูตร จากจั้นเธอกลับมาพักที่วัดปวบอนอมันมาพักที่สวนแสงธรรมพอพักสวนแสงธรรมเสร็จพุ่งนี้เช้าออกแต่เช้าอีกมาที่จิตโพชนาโพชนาพักที่คุณหลวงพระมาฉันด้วยกันสิบกว่ารูปหลวงพ่อก็ได้พูดเทศอยู่ที่นั่นเีกเรื่องความกตัญญูกตเวทีตา ให้ระลึลกถึงบุญคุณของคนถ้าคนได้ทาได้ทำกับเราให้เราจาเอาไว้ว่าเราจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรแต่เมื่อเราให้คนอื่นเขาอย่าไปจำเพราะจำแล้วมันทุกข์ใจถ้าเขาไม่ทดแทนบุญคุณเพราะนั้นไม่ต้องจำเเวลาเราให้ไปเราคิดดีซะก่อนจะคอ่คอยให้จะค่อยสงเคราะห์ในเมื่อสงเคราะห์ไปแล้วก็คือจบ อันนี้นคือหลวงพ่อได้พูดที่โภชนาปากักจิตโชร้านอ า, อาหารโภชนาจิตโภชนาปากักเสร็จแล้วหลวงพ่อนั่งรถขึ้นมามานครราชสีมามาแสดงธรรมอยู่ที่วัดป่าสารวันเกี่ยวกับงานบุรพาจารย์ วัดป่าสารวันรเป็นงานหลวงปู่สิงขันตยาขาโมหลวงปู่มหาปิน่นจนถึงหลวงพ่อพุทธานโยหลายองค์เจ้าอาวาสเขาก็จัดงานขึ้นมาผมรำลึกถึงวันบุรพาราจารวัดป่าสารวันรหลุงพ่อมาแสดงธรรมที่นั่นพอแสดงธรรมเสร็จแล้วหลวงพ่อมาที่วัดหลงตาด็อกเตอร์นะมากพักค้าง วัดป่าพี่ไม่ผมู้ในเช้าก็ได้พบกับศรัทธาญาติโยมไปบิณฑบาตใน อ, อําเภอพี่ไม่โอ้โหรวยรวยจริงๆรถปิง๊งอัพทั้งสี่คันตามแต่ละคารเต็มเอียดโอ้โหบิณฑบาตรวยจริงๆที่พี่ไม่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาอบรมเทศตอนเช้าก่อนฉันยังหันอย่างนี้แหละพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็นั่งรถขึ้นมา ขึ้นมาอุดรมาพักค้างที่วัดรวมธรรมวัดทันรัตนะนะเขาจากจากนั้นก็นฉันจากหารที่ท่านวัดทันรัตนะแล้วก็พักผ่อนพอตอนเย็นบ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงกว่าไปขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่พอลงจากเชียงใหม่เข้าไป เขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่งานศพของท่านอาจารย์หมูอาจารย์พุทธงปริปุณโนวัดบานห้วยไร่ตำบลปงอำเภออำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนเช้ากันฉันจะหันเสร็จแล้วกันนะประมาณเที่ยงครึ่ง ในมวลขึ้นทรมาศแสดงธรรมเมื่อวานก็คนโหโหโล้นหลามคนมากนะงานศพท่านอายุ39เปีเท่านบวชมา39พรรษาอายุเท่ากันกับหลวงพ่อ71บปี8ปเหมือนกันแล้วก็ท่านเป็นผู้มีพระคุณสมัยหลวงพ่อสร้างเีดีคุณแม่ชีแก้วหลวงพ่อเอ้ยหมู ถนนทาจะช่วยช่วยเท่าไหรช่วยได้เท่าไหร่่แตอาจารย์ขาดเท่าไหร่ประมาณห้าแสนครับ เ, เดี๋ยวผมจะให้น้องสาวไปส่งให้นะโอ้หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ท่านเจียวไปหาท่านเมื่อกี้นะมั้งสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านก็ให้มาสามแสนะจากนั้นท่านก็จะให้หมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่น ท่านจะให้มาสิบล้านมัน้งแต่ท่านให้มาแล้วก่อนหน้าเ น, นี้ยห้าล้านอ่ะให้พอออให้อาจารย์หมอวิทูลไปรับที่วัดของท่านแต่ในในพิธีกรรมท่านจะให้สิบล้านอ่ะนีะ่อันนี้ก็คือเป็นผู้มีพระคุณหลวงพ่อเนี่ยจึงได้ไปในงานของท่านเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่อง กลับมาถึงวัดเมื่อคืนเกือบสองทุมนะคณาสัตยาญาิโยมลูกลานนี่แหละการเดินสายของหลวงพ่อคราวนี้ครั้งนี้สายยาวเหยียดทีเดียวเลยแต่หลวงพ่อก็มองตัวเองเหมือนกันนะอายุเจ็ดสิบแล้วจะไปตลอดตลอดห น, น้าคิดเหมือนกันนะอะแล้วก็เดือนนี้อีกเดือนหนึ่งนะทั้งเดืนอนอทั้งพราเกี่ยวกับเจ้าพวกคุณสมเด็จพระสังฆราช วันที่สิบสองก็ใช่ลงไปและวแล้วก็วันที่สิบวันที่สิบหกเป็นงานเป็นงานพระราชทานเพลิงศรีระของท่านหลวงพ่อก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันถ้าไม่ไปจะคงจะไม่ถูกต้องเพราะว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงปู่ลีท่านก็อายุมากแล้วหลวงปู่วุ้นมีท่านก็มากแล้วมีแต่พวกเรารุ่นน้องๆ ใครบ้างที่สะดวกแต่ไม่ได้ซักส่วนกันต่างคนต่างไปก็แล้วกันก็รู้อยู่แล้ววัดโวรอยู่ที่ไหนตุงพ่อก็จะไปตามที่วัดไปตามที่บควรจะไป พ, พ, พ, พ, พี่น้องพี่พน้ององค์ไหนที่จะไปก็อาไปไ ป, ไปงานอย่างนี้ไม่ใช่จะไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มไม่ไหวหรอกเรจะเดินไปที่ไหนพักที่ไหนมันเป็นเรื่องที่ ต่างคนต่างไปกันแล้วกันไปเจออยู่ในงานกันแล้วกันเนี่แหละอันนี้ก็คืองานเจ้าพคุณสมเด็จจากนั้นก็นุนท่านเจ้าวาดวัดหลังศารจังหวัดภูเก็ตก็จะสร้างพระเจดีย์ถวายหลวงตากับหลวงปู่เทศเอีกนั้นก็หลวงพ่อคงจะได้นั่นน่ะจะได้ลงไปดูอีกสรุปแล้วก็คือะระดมทุนนั่นน่ะจุดนั้นแต่โดยมากหลวงรวยมากหลวงพ่อไปนะ่จาจะฐานที่ใดนะ ไปหลวงพ่อคงจะได้รับจตุปัจจัยไม่ใช่นะไปวัดเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเราก็ถวายนะ เ, เงินวัดไปถวายท่านนะทำด้าบไปถวายท่านหนึ่งแสนนะแล้วก็ถวายเจ้าวาดอีกเจ้าพระคุณสมเด็จพุท่านมีภาระมากถวายอีกหนึ่งแสนมาอูที่วัดป่าสารวันพอเทศจบแล้วก็ถวายท่านทั้งหมดเกือบสี่หมื่น การเทศหลวงพ่อแต่สวนแสงธรรมหลวงพ่อบอกมีความจําเป็นจะได้ช่วย ส, สวนแสงธรรมผ้าปามีเท่าไหร่เขามาถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อมอบให้หมดให้ใช้ในสวนแสงธรรมเมื่อวาเนเราไปเทศจบแล้วเขาถวายกันเทศสองหมืน่นเชียงใหม่หลวงพ่อก็มอบให้เขาอีกเอหลวงพ่อไม่ไดเอามานะสรุปแล้วหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อไม่รวยนะลูกหลานนะ มิถไปสงเคราะห์ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะไปที่ไหนและไปเห็นแก่จะตกปัจจัยไม่ใช่ไปที่ไหนก็ไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เว้นเสียจะไปบริษัทห้ทางร้านหรือไปตามาบ้านที่เขาถวายมาเอออนั้นรับแต่ไปที่ที่สาธารณะแล้วโดยมากก็มอบคืนให้กับสาธารณะให้ไปใช้ในสาธารณะ ว, วัดนั้นวัดนั้นในเรื่องราวนั้นนนั้ อย่างพระเจดไปสร้างพระเจดีก็เหมือนกันมีอะไรเกี่ยวกับพระเจดีจากนั้นเราก็จะมอบให้กับพระเจดีให้เด็กใช้ในการก่อสร้างพระเจดีต่อไปเพราะมันจะได้ใช้เงนินจํานวนมากยอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นหลวงพ่อไปชนะสถานที่ใดอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ทราบด้วยหลวงพ่อไปหลายๆแห่งผลที่สุดก็เนี่มอบให้กับสถานที่นั้นๆ ให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อไปเขาไปเพื่อให้เขาได้เห็นหรือเจ้าภาพก็อยากจะให้หลวงพ่อไปเพื่อจะได้คนทั้งหลายเห็ น, หนว่าครูครบาอาจารย์มาพร้อมหน้าพร้อมตาลักษณะอย่างนั้นเป็นเกียรติประวัติของงานงานของเขาเอาไม้มั่นปั้นมือหลวงพ่อก็เออเอาไปตามเจตนาแต่ บางครั้งหลวงพ่อก็คิดถึงหลวงพ่อเหมือนกันนะจะไหวหรือเหมือนกันนะอแต่ก็ต้องดูดูเหมือนกันทางานงานไหนไม่ไหวหลวงพ่อเออไม่ไหวปสัสสาวะภาพต้องดูต้องตรวจตราดูสุขภาพอย่างเมื่อวานนะเกือบจะไม่ได้มานะฮะเกือบไม่ได้มากับเกือบก็ไม่ได้กลับมาเพราะเหตุไรเพราะทางกรุงเทพเขาบอกว่าโยมอุปถัมภะถากนะ่ะ ล้มในห้องนอนเราก็รีบถามดูว่าเป็นยังไงาอาการหนักหนะลวงพ่อก็คงจะบินจากเชียงใหม่ลงกรุงเทพเองนะเมื่อวานเลยนะแต่กับอาการดีขึ้นนะทานอาหารได้เองหลวงพ่อเอากลับวัดซะก่อนนะอย่างนี้แหละหลวงพ่อสรุปแล้วก็คือเตะเลิดเปิดเปิงพอสมควรนะลูกหลานนะต่อไปเขาจะตั้งชื่อหลวงตาตลเลิดหลวงพ่อเตะเ อ, ดอิดเองแต่จะทำยังไงได้ มันเหตุมันผลมันไปลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อจะอยากจะไปไหมหลวงพ่อพูดเลยเลยว่าไม่มีอะไรจะสับปะยะที่ที่พักที่ที่บ้านของตนเองที่กุฏิของตนเองที่พักที่กุฏิของตนเองนั่นแหละสับปะยะที่สุดไปที่อื่นต้องระมัดระวังหักมากๆห้องน้ําก็ต้องระวังที่นอนก็ต้องระวังการจะเดินเหินไปที่ไหนต้องระวังทั้งหมดเ อ, อจะไปแบบพรีพรม เร็วๆไม่ได้แต่อยู่ในกุติทีตัวเองขนาดหลับตาเนยังจะก้าวไปกี่ก้าวไปถึงจุดนั้นก็รู้ได้เลยในความปลอดภัยในการเป็นอยู่แต่ลุงพ่อเนี่ยกลัวมากๆก็คือตรงที่ไปนักสถานที่ต่างๆไปแล้วหกล้มหัวน็อกพื้นจากนั้นก็เป็นอามพฤกอ์อัมพาตลูกหลานก็หามเหตุทตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายเนี่ยลุงพ่อกลัวที่สุดปิดจะเป็นภาระของลูกของหลาน เพราะนั้นไปนักสถานที่ใดก็ต้องระมัดระวังไม่ให้หกล้มทำให้จาเป็นจริงถ้าเป็นตามกรรมจริงๆก็ช่วยไม่ได้จะทำยังไงได้ตัวเองได้ทำกรรมที่ไม่ดีไว้มามาในอดีตแต่การระมัดระวังนันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของเราต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันมีปัญหานี่แหละนี่ก็คือ มาถึงวันนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนตัดชายาิโยมตีหลวงพ่อได้พูดได้เรียนให้ทราบเมื่อวานก็ไปแสดงธรรมที่งานศพของเขาอย่างที่หลวงพ่อพูดเงินคำทรัพย์สมบัติหามานะตั้งแต่เด็กแต่เล็กตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่ออนาคต เมื่อได้ทำการทำงานก็จะได้เงินเดือนจากนั้นก็ทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาเงินไม่รู้เท่าไหร่เท่อเท่าไหร่บางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ไม่ได้มากจุดแท้แต่สติปัญญาผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีบุญบารมีเก่า ก็ยอมหาทรัพย์ได้เมื่อหาทรัพย์ได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบเลี้ยงครอบครัวเงินคำทรัพย์เงินคําทรัพย์ม ส, พสมบัติส่งถึงโรงพยาบาลหลวงพอบอกนะเะงินคําทรัพย์สมบัติเงินส่งถึงโรงพยาบาลอพอรไปส่งโรงพยาบาลก็รักษากรับออกมากเอาไปเข้ า, า, า, า, เาไปรักษากลาบองคมาก็ไปรักษา รักษาหลา ย, าลายาครั้งต่อหลายหนผละนิสสุก็ตายในโรงพยาบาลแต่ใช้เงินเงินจบอุดเพียงแค่นั้นเอาออกมา อ, าออกมาพี่น้องลูกหลานญาติโกโหติกาที่รักเคารพที่ให้รักกันลูกหลานที่รักเมตตามากๆพอนถึงจะมาจัดงานศพพอจัดงานศพส่งไปถึงเมนอย่างที่ลุงพ่อส่งไปลงุ ง, ปลงพ่อหมูส่งถึงเมนอย่างนั้น ทิตกรกับรักเมตตากันมีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันพอจะนั่งสงขึ้นเมนเรุพอขึ้นเมรุกัไปวางดอกไม้จันท์เออหมูเอ้ยไปดีนะบุญบา ร, รมีของท่านได้ทามาอย่างไงขอให้ท่านไปดีนะไปเป็นสุขเป็นสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างออท่านก็ให้อโหสิกรรมกับเราเราก็ให้อโหสิกรรมกับท่านออไม่มีอะไร ให้ท่านไปดีนะเป็นสุขเป็นสุขนะเนอะถึงจะรักขนาดไหนสามีภรรยาลูกหลานจะรักขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะกระโดดเข้าไปในกอง เ, อเข้าไปในเมร น, นั่นได้ไปวางดอกไม้จันแลวก็ให้สินให้พรกันแลวก็โอ้โหศีก ร, รมแลยก็ต่างคนก็นต่างถอยอแหม่นั่งแต่ได้ก็ได้เวลากับไฟไ ฟ, ไฟเผาเลยท พอไฟอไฟเผาท่านนั่นแนหะนั่นแหละกระดูกร่างกายก็หมดเลยนะมีแต่จิตจิตใจท่านนั่นแนหะไปตามลําพังอัตหิอัตโนนาโถนะตนแล่ปที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยานะคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละ จะเป็นเพื่อนสองที่จะนําดวงวิญญาณของพวกเราไปสู่ภพภูมิต่างๆเพราะนั้นบุญบาปนั่นแหละจะเป็นเป็นเพื่อนสองของเราเพราะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เดียวนี้นะ่ะเราจะคิดไว้ไล้อยังว่าเพื่อนสองของเรานะคือใครใครกันแน่บาปอกุศลหรือเป็นบุญกุศลที่จะเป็นเพื่อนสองของเรา ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านเพราะฉะนั้นให้พวกเร า, เาสังเกตดูนี่แหละที่พวกเราหาเงินคําทรัพย์สมบัติจริงไหมส่งถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องทั้งหลายจริงไหมส่งถึงเมนเมื่อไปแล้วเราไม่ศูนนะศูนย์แต่ร่างกายแต่จิตใจคือนํามะธรรมนั้นไม่ศูนย์ออกจากร่างนั่นแหละบาปอ ก, กศุศลจะเข้าสู่จิตใจนั้น อย่างหลวงปู่ล่าท่านพูดครังใจเป็นครังของบุญใจเป็นครังของบาปคลังคืออะไรเป็นที่เก็บบาปและเก็บบุญคลังถ้าว่าเราทำบุญบุญก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราทำบาปบาปก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าว่าเราทำบุญบุญกุศลอยู่จิตใจเราจะไปนาสถานที่ใดคนมีบุญ ร่มเย็นเป็นจุกด้วยการทั้งนั้นหละเพราะอะไรเพราะบุญพาไปเหมือนกับคนมีเงินถ้าคนมีเงินไปสถานที่ใดที่เขาใช้เงินเราใช้จ่ายได้ทั้งวัดเพราะเรามีทรัพย์สมบัติแต่ถ้าว่าคนมีบาปคนที่ทำบาปบาปเป็นผู้พาไปทหารตำรวจเขาคนล็อกแขนเขาไปที่แรกเอาไปคุกตำรวจ ในอำเภอซะก่อนเพราะทำผิดยังไม่ไม่แน่พอจากนั้นก็หมดอายุขังที่หดึส่งไปจังหวัดถ้าโทษหนักไหมถ้าโทษหนักม็ส่งไปนนไปลาดยาวไปบางขวางส่งเข้าไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันโทษมันหนักบา ป, ปเหมือนกันถ้าบาปน้อยก็อยู่ที่ใดที่หนึง่งปล่อยออกมา ถ้าบาปหนักก็จะส่งไปทางตรางจังหวัดคุกจังหวัดถ้ามันหนักเกินไปก็ส่งถึงคุกบางขวางคุกลาดยาวไปเลยสิอนั้ น, นมันโทษหนักนะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทําบาปกำหนักอก็ตกนรกหล่มเล็กๆมาจะมาเกิดเป็นสัตว์ที่รชานช้างมา้าช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ถ้ามันหนักกว่านั้นก็ลงโน่นแหะเอาเวจีมาหานรก มีมากมายตามขั้นตอนบาปกรรมเนี่ยบาปในโลกกับบาปทางนอกโลกมันคล้ายๆกันนะแต่เปรียบเทียบให้ฟังเลยนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรอนเนะ